กอนไปจงพากันตั้งใจฟังธรรมเทศนาจะบรรยายทําให้ฟังคือก่อนที่จะฟังธรรมเทศนานั้นต้องสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจเพราะธรรมะต้องการสำรวม คือการสั้รวมเป็นธรรมะแล้วแต่เบื้องต้นแล้วชั้งรวมกายคือไม่กระดุกกระดิกตั้งกายใฟังให้เรียบร้อยชั้นรวมวาจาคือไม่พูดคุยกันสิ่งที่ควรพูดควรคุยยกไวไ้ก่อนเราพูดกันม า, มากแล้ววันค่ำแล้วก็พูดในเรื่องเก่านละ้ตลอดปีตลอดชาติ เราก็พูดแต่เรื่องเก่าฟังเทศต้องซ้ำรวมวาจาใจก็เหมือนกันต้องซ้ำรวมแล้ววังตั้งสติกำหนดจิตอย่าให้คิดนึกส่งไปในทิ้งอื่นเพราะเราส่งมามากแล้วที่เราจะซ้ำรวมไม่ค่อยจะมี บางคนนะ่ะตั้งยู่สิเจที่ปีปีก็มีการสํารวมใจไม่เคยเลยสักทีก็มีในเวลานี้เราจะสํารวมใจให้สงบยอยู่ในอารมณ์เดียวในการที่จะเทศให้ฟังในวันนี้เบื้องต้นก็ต้องปลาลบถึงเรื่องวิสาขาะสักเล็กน้อยวิสาขะ เราเคยได้ยินมาแล้วว่าประวัติเป็นมาอย่างไรเราเคยฟังมาแล้วโดยเฉพาะคือเราเวียนเทียนร ล, ลึกถึงคุณพุทธประธานประสงค์พระพุทธเจ้านั้นเกิดขึ้นวันนั้นน่ะวันวิสาขาคือเดือนหกเพลศพุทธเจ้าที่เรียวกว่าพุทธเจ้าคือเป็นปาดจอมปาดในโลก นักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดส่วนมากรับรองว่าเป็นผู้วิเศษไม่มีศาสดาใดจะเหมือนผู้รู้ทั้งหลายก็รับรองอย่างนั้นเหมือนกันวันนั้นเป็นวันตัดสูุของพระพุทธเจ้าคือวันวิสาขะแนวกับวันปรินิพานด้วยวันพิสูจนด้วยมันกรงกันทั้งสามการ พระพุทธเจ้าเป็นของอศัศจรรย์ไหมหายากคนที่เป็นเช่นนั้นเหตุนั้นถ้ายังเป็นนักปราด์เอกในโลก น, นั้นเป็นประวัติเบื้องตน้นเราพากันมาเวียนเทียนรวลึกถึงคุณของทาง่านระลึกถึงความความความัมมตรูคมอุบัติเกิดเกิดขึ้นนักปรินิาผานของพระองค์ทั้งสามการนะปีหนึ่งยังก็มีหนหนึ่ง เราลึกถึงเขานั่งเอาละหากว่าพูดตั้งใจจริงๆแล้วไม่ต้องเอาเอาปีระหนเท่านั้นทุกลมหายใจเขาออกเลยการลึกถึงคุณะคุณที่เจ้าการที่ทำเช่นนั้นเพื่อความสลดสังเวชเพื่อให้เกิดปภาษาทศธาเลื่อมใจ ในพระภูมีภากเจานั้นองค์นั้นประวัติย่อก็เพียงแค่นี้แหละการบูชาคือว่าอาเมธสบูชาใน แ, แก่ดอกไม้ธูปเทียนอันนั้นเป็นอาเมธสบูชาพุทธมามากาที่นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงจำเป็นที่จะต้อง ทำรักษาประเพณีขนมเมีม่มอันดีงามนั้นไว้เป็นบุญไม่กุศลนัยยิ่งใหญ่เรียกว่ า, ามิตรสบูชาแต่อามิตรสบูชาวู้ไเจ้าทัานเทศนาวะยังไม่พิเศษเท่าปฏิปฏิบูชาคือปฏิบัติาตาม เคียงองเมธบูชาศาสนาไม่สามารถจะดำรงคงอยู่ได้บูชาแล้วก็แล้วไปเช่นดอกไม้ทุกเทียนบูชาแล้วก็แ ห, งแห้งไปทุกเทียนเทวต่างๆบูชาแล้วก็ดับไปศูนย์ไปไม่ถึงพไม่ถึงพระพุทธธรรมพระสงค์โดยแท้ ถ้าหากปฏิปฏิบูชาแล้วนั้นถึงแก่นของพุทธศาสนาเลยทีเดียวอะไรนปะฏิปฏิบูชาก็เราปฏิบัติอยู่นี่แหละตั้งตั้งต้นแต่ทานศีลภาวนาทานเราทำทานเราไปแล้วลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ การรักษาศิลนห้าชิ้นแปดคำบวดจิตด้วยชิ้นสองร้อยี่สิก็ตามเถิดเพื่อบูชาพระธรรมาพระสงฆ์ทำสมาธิภาวนาจิตใจมั่นรงสายเป็นอะไรตามในเรื่องต่างๆ น, น, นะให้เป็นการบูชาพู้ไเจ้าเถอะบูชาพระธรรมพระสงฆ์เถอะอย่ามาเป็นของเรา เพโกรธของโรคของหลวงปูชชาพระเดจเจ้าเนี่ยอย่าเป็นของเราเลยบูชาพระเดจเจ้าอย่างเอาดอกไม้ทุกเทียนบูชาเราบูชาเราสละมดทุกสิ่งทุกอย่างดูที่ดอกไม้ที่บูชาเด็ดมาจากตนมอบถวายท่านเลยทิ้งไว้แล้วเนี่ยแ ห, แหี่ยห้งจนมันแหี่ยห้อยละทุกคสละทิ้งมดเลย อันนี้กเ็เหมือนกันเราปฏิปฏิบูชาคือปฏิบัติอย่างว่านีแหละความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นมาให้ให้เข้าใจว่าอันนี้เป็นเครื่องบูชาพระเดเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์ได้บุญมากทีเดียวอันนี้สงฆ์มากทีเดียว นี่ปฏบิบูชาเป็นอย่างนี้แม้ชีวิตของเราก็ตามเช่นในวันนี้แหละจะบูชาพระเจ้าแล้วผู้ใดมีศรัทธาจะบูชาก็เอาตลอดคืนเลยจะไม่หลับไม่นอนอนะ่ะกลางว่างเงาพอนอนบูชาพระเจ้าเสียขี้เกียจขี้ค้านก็บูชาพระเจ้าเสีย เจ็บเมื่อย ต, ต่างๆปวดมือต่งตางๆเจ็บแข้งเยอะขาปวดแข้งปวดขาบูชาพระพุทธเจ้าหมดน่าจะมีอะไรดาวคำบูชาพระพุทธเจ้าเมื่อกำหมดเรื่องหรือล่าที่กายวิยวะทั้งพวงหมดนี่บูชาเสียวันเดียวเท่านั้นอะไม่บูชามากหรอกยอมเสระชีวิต บูชาพระเจ้าพระธามประศ์เมื่อยอมสละแล้วมันความเหน็ดความเหนื่อยความเมื่อยความง่วงเหงาเขานอนก็มหมดเรื่องเพราะการเจ็บการป่วยที่ร่างกายไม่ใช่เจ็บที่ใจถ้าใจเจ็บถ้าใจตายไม่เกิดอีกคนเราอันนี้ใจไม่เจ็บใจไม่ตาย ไปยืดเอาให้เฉยหน่ไปยืดวมันเจ็บมันปวดเฉยหน่เวลาร่างกายมันแตกดับแล้วมันไม่อยู่มร่างกายนี่มันไม่มันแตกมันดับแล้วมันก็ปล่อยสาระเลยไปเกิดดในคตินั้นนั้นอันที่ยืดที่ถือมันไปถือต้องหักย่างที่ท่าน สวัวนันชราธรมมหิชาังอติโตปัญญาที่ธมมหิตปัญญาจิงอติโตมรณะธมมหิตรณะอติโตชาธมมหิชาาก็เป็นทถ้าเรายึดสลามื่ก็นกว่าจะแก่กูว่าจะเท่ากูว่าได้วจะหายจากหนุ่มจากสาวเป็นทุกข์เรือดร้อน ถ้ า, าไม่ถือมันก็อย่างนี้เลยนะมันจะร้อนอะไรแต่เกิดมามันก็ก็แก่ไปทุกวันทุกวันนันเองจนกระทั่งฟ้านี้มาเห็นเดือดร้อนนั่นคความแก่เป็นธรรมความเจ็บก็เป็นธรรมความตายก็เป็นธรรม มันแก่มันเจ็บไอ้แก่แล้วมันก็ต้องเจ็บมันก็ต้องตายส่วนในจิตนั้นมันไม่รู้จักเจ็บจะแก่จะตายไม่รู้จักเฒ่านอนฝันไปเคยแก่ไมหมล่ะเคยเฒ่าไมหมล่ะไม่มีแก่ไม่เฒ่าแล้ไม่มีกลางวันกลางคืนใช่ด้วย นั่นเลยใจแท้เป็นอย่างไงเห็นนั้นจรงว่าบูชาส่วนกายเนี่ยมันจะต้องแตกต้องตายต้องสลายดับสูงเป็นสภาพเข้ามันอยู่ตามเดิมเกิดขึ้นมาแล้วต้องแตกสลายไปแล้วก็ก่กอเกิดขึ้นมาอีกจะจับตนจับจับรูปร่างอันอื่นอีกก่อขึ้นมาแล้วก็แก่เท่าไปสลายดับสูงเลยเป็นดินน้ำไฟลม เอามาผสมกับอย่างนี้อยู่มาแล้วสากทีคนเราคนคนหนึ่งนะ่ะตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดไม่ทราบกิพุทธิชาติเอาดินน้ําไฟนมมาผสมกันเป็นตัวเป็นต้นขึ้นมาไม่จราบแบบของใครกอนของใครตายลงไปเป็นดินเป็นน้ําเป็นนมเป็นไฟอะไรกเอามาผสมกันอีก เ, เป็นตนเป็นตัวอีก ไม่ทราบของใครเป็นของใครปนเปยกันอยู่นี่แหละซัต่างๆที่อยู่ในโลกวันีกก้สัดตันั่งกับเมืองกันอันเราทานอาหารที่เราทานเนื้อสัตว์มันอาจจะเป็นเนื้อของเราก็ได้้านไปเช่นั้นก็เป็นเนื้อของเป้าของแม่ของเราก็ได้และลูกหลานของเราก็ได้กินกันอยู่อย่างนั้นเลย เหตุนั้นพระพุทธเจ้ายังสอนนักสอนหนาให้มีเมตตาให้มีสงสารเอ็นดูซึ่งกันและกันสัตว์ทั้งหลายไม่ใช่มันไม่ใช่ไอ้สัตว์ทั้งหลายต้องเปลี่ยนแปลงลูนอย่างนี้ลําไปแต่สัตว์ทั้งหลายเราวน้น่ะอาจเป็นพี่เป็นน้องของเราก็ได้ คนเรามันตายนับพบดาวชาติไม่ถวนเรียนว่ายแต่เกิดอยู่นี้ไม่ถ้วนแล้วรู้หลอดเป็นสักทีบรรดาสัตว์เกิดขึ้นมาต้องอาศัยอาหารมีอาหารเป็นเครื่องอยู่หลออาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอาหารที่เราทานลงไปนั้นจนะเป็นเนื้อเป็นปลาหรือเป็นผักหญ้าแหล่งต่างก็ตามที นั่นเป็นอาหารสำหรับหล่อเลี้ยงร่างกายแต่อาหารตรงนั้นมันไอเป็นผักเป็นไม้ต่างๆที่เราทานออกไปแล้วเราก็ถ่ายไปเป็นมูดเป็นพูดไปเป็นอาหารของผักอันอีกแล้วแล้วก็มากินของเก่าอันอีกแล้วซัดปลากระเพื่อมทานอาหารมาทานอาหารเก่าของเราแล้วมันก็กลับมาเป็นอาหารของเราอีกกลับไปกมาอย่างี้ นี่การปฏิบัติธรรมะทำสอนพุทธเจ้าให้เห็นกรรมให้เห็นสัตว์อ้ให้เห็นว่าเกิดขึ้นมาแล้วต้องแก่ต้องต้องตายเป็นธรรมอย่าไปกลัวธรรมคนที่กลัวธรรมไม่เห็นธรรมหรอกคือความเจ็บขมขคยขมป่ว ย, ยต่างๆทุกขเวทน า, าต่าง อันนั้นเเป็นธรรมแล้วเกลียดธรรมแล้วไม่อยากพบธรรมเมื่อทุกเกิดขึ้นมาก็ไม่อยากพบอยากเห็นอันนั้นเรียเกลียดธรรมพระพุทธเจ้าทันเทียทานว่าเราธรรมเดช ส, สีปราพุกคนเกลียดธรรมชังธรรมเป็นคนแพ้เป็นคนแพ้ คือแพ้ธรรมนั่นเองพระพุทธเจ้าเทวนาว่าเรื่องธรรมจักรโพธาสูตรทุกขังอิยรจะจังทุกเป็นอริยสัจเป็นของจริงไม่เอื่องไกลจลกใกล้ๆนี่แหละเห็นทุกเป็นของจริง เห็นตามไม่จริงก็เรียกว่าเห็นสภ า, าว่าธรรมคนนั่งก็ถึงธรรมจะไปหาอื่นไกลเลยถามแค่ ใ, ใกล้ๆ น, นิดเดียวทุกก็เป็นธรรมโดยเฉพาะใครๆเกิดขึ้นมาทุกคนตรงเป็นทุกเดวยกันทั้งนั้นตาต่มากและน้อย คนเกิดขึ้นมาในโลกนี้ไม่มีใครยจะไม่ทุกสักคนเดียวพระพุทธเจ้าเด้นเทศนาอีกกว่ามีแต่ทุกเท่งนั้นเกิดขึ้นแล้วดับไปทุกไม่คือเกิดมาอีกองค์เทศอย่างนี้พระองค์เห็นทุกอย่างนี้พระองค์จึงได้ตัดสู่สาวกทั้งหลายท่านเห็นทุกอย่างนี้จึงค่อยได้ตัดสู่คนเราไม่ไม่มองทุกไม่เห็นทุก ทุกอันนี้เกิดขึ้นแล้วดับไปทุกอะไรเกิดขึ้นมาทุกความหิวทุกความหิวความอยากอันทุกค น, นนั่นแหละความหิวหามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแก้หิวไปหน่อยหนึ่งกลับไปทุกข์อีกทุกข์พ่อหานันอ่ะทุกข์อ่ะความหิวนี่หายไปทุกข์พ่อหาอีกหามาใช่ เลี้ยงป่าเลี้ยงท้องแล้วครั้งนี้ทุกข์ก็กินกินเข้าไปแล้วก็ทุกข์ก็ไปถ่ายมันคุ้มหิวมันหายไปแล้วมันทุกข์ก็ถ่ายมันถ่ายไปได้หิวอีกทุกข์ใหม่มาอีกอะเวียงนงั้นอย่างนี้แหละทุกข์มันมีที่สิ้นที่สุดใครจะไม่มีทุกข์ไมมีมทั้งเขาก็ทด้เจ้าก็เหมือนกัน พองบิธบาทไม่ฉันอยู่มาสเสวยอยู่พ้องก็นิพานทุกจนนิพานคนเรามันทุกข์เกยงค่อยตายแต่พุณเดจาไม่เหมือนกับพวกเราท่านเห็นอย่างว่านีนเนี่ย น, นั้นปล่อยวางลงไปได้ท่านเองคนอยากทุกคนเราอยากทุกมาก ทุกหลายหนทุกแล้ ว, ลวีงเกลียดทุกนั่นหละไม่ใชทุกอีกทุกซ้ำซ้ำซากๆานั้นแหละเรียนไหวแต่เกิดไม่ได้แท้ทีพระพุทธเจ้าท่านทุกหนเดียวเท่านั้นแหละพิจารณาเห็นทุกอะไหว้วานละหมดเรื่องทุกของโภงวันนี้เทศนาปฏิปิิบูชาคือบูชาพระพุทธเจ้า ด้วยการสระด้วยการปล่อยวางทำตัวของเรานี่แหละให้เป็นเหมือนกระดอกไม้บูชาพระพุทธธรรมประสมยอมสละลงหมดทุกสิ่งทุกอย่างถึงกไม่ได้มากก็เอาวันนี้ก็เอาเฉพาะวันนี้เท่านั้นก็เอาถ้าหากได้วันนี้แล้วต่อไปมมนหาก็จะได้หรอกอธิบายให้ฟังแล้วต้องทำ ถ้าไม่ทําไม่รู้ถ้าไม่ทําไม่เข้าใจที่ท่านเทศนาว่ะที่ภาษาบ้านเมืองของเราเรียกว่าเทศอันหนึ่งทำอันหนึ่งเทศน่ะคือสอนคือบอกทำนั่นคือทําตามเทศนาทำทําั่นไม่ต้องไม่ต้องทำอ่ะทำตัว พอท่านอัมนี่แหละคำว่าทำในที่นี้ไมายครัวมาใกล้ๆเลฟังเทศอย่างหนึ่งฟังธรรมอย่างหนึ่งฟังเทศนี่นคือฟังเล่าไปตามเรื่องแล้วไม่ต้องทำลูกจากที่แล้วกไปก็ต่างคนต่างไปหาทุนาราที่ของใครของมันมันทำนี่ทาพร้อมเลยฟังเทศเดีวกับทำพร้อมเลย นันเรียกกัฟังทรรมคราวนี้ทาตามคราวนี้เมื่อฟังแล้วต้องทาตามพุทธเจ้าท่านสอนทำมากสอนให้ทาตามไม่ใช่สอนเฉยเฉยคนนังบ้านนังเมืองของเรานับถือพุทธศาสนาได้ฟังแล้วก็เลยแล้วกันไปศาสนาพุธ จึงไม่ค่อยเจริญเพราะเหตุที่ฟังให้เฉยนั่นเนี่ถึงยังไงยังไงต้องทําตามพระพุทธเจา้าสอนให้ทำอย่างสอนให้รักษาชิ้นห้าชิ้นแกรรมบุ10สอนเท่าไหร่ก็สอนไปเถอดไม่ทําแล้วกันอย่างนั้นชิ้นห้ามันก็อยู่แค่นั้ น, นไม่ทําตามชิ้นแก็อยู่แค่นั้นไม่ทําตามชิ้นช่งไรเจ็ดก็ไม่ทําตามก็แค่นั้นทำทั้งหลายมากมาย สอนก็แค่นั้นนถ้าหากว่าทําตามสักข้อสองขออมันก็เป็นอันวภาถึงสาถึงคำถึงกรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าต่างสลองทําขาวนี่อย่างที่อธิบายให้ฟังนะอดทนต่อทุกขเวทนาเป็นตับปะอย่างยิ่งความอดทนอดกานอดทนเป็นตับะอย่างยิง่ง เป็นเครื่องแผดเผาเมื่อเจ็บเมื่อยต่างๆันออกเสียเมื่อเจ็บเมื่อยต่างๆันทิ้งเสียไม่อยากทําตามเคยตัวเราสละปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างตายเป็นตายเป็นเป็นกันเอาเดี๋ยวนี้อะงอนสละเลยไม่เลยหาย มันเจ็บมันเลยหายไปไล้ไม่จับมันคล้ายๆกับทําเดลนมันเจ็บนึ่งขั้าเอาจริงๆอาจเลยหายหมดข้นเอาจริงๆไม่เอาจริงเอาจังกัเราแดกอยู่เกินนั่นแ่ละมันก็เจ็บมาข้าวหลังก็เจ็บอีกแค่เกาเนี่ยนั่งเขาเดียวเจ็บอีกหายสลับเะทิ้งเสมันเลยเคยตัว ในด้านวันนี้เราจะต้องทําต้องทําให้เห็นจริงเห็นจังเห็นทุกเห็นทุกจริงจริงจังจึงจะเป็นจึงจะเห็นธรรมทุกมันเจ็บที่ไหนมันปวดที่ไหนมันเมื่อยตรงไหนกันใครเป็นคนว่าเมื่อยคนในว่าเจ็บว่าปวด กายนี่มันมันจะไปถึงไหนมันก็นเพียงแค่แตกสลายเท่านั้นแหละมันไม่ไม่มีอะไรหรอกนอกจากแตกสลายนะไ ม, ม่เป็นอะไรต่อไปอีกหรจะยอมสละตรงนั้นแล้วเฮ้ยหายเลยเลยกลับเป็นคนดีขึ้นมากายก็สบายสุขภาพก็ดีขึ้นมาจิตใจก็เบิกบานความสุขมาด น, น แสนที่จะพระพมาพระหมายเปรียบได้ความสุขอันนั้นทุกอย่างยิ่งแค่ เ, เมื่อสระอันนั้นเลยนะหาอะไรมาเปรียบเทียบไม่ได้แล้วโลกอนนี้ไม่มีเครื่องเปรียบเทียบแล้วความสงบเป็นความสุขอย่างยิ่งของเทวนา น, นในการภาวนาท่านี้เรานั่ง สมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งขวัวให้ตัวให้ตรงก่อนที่จะทำสมาธิต้องภาวนาต้องไหวพระเสียก่อนอยู่บ้านอยู่ช่องอยู่ไหนก็เอาเถอะต้องหาออกาสทำให้มันได้แล้วให้นึกเอาคาให้คิดให้นึกถึงคมปฏิกรรมเอาพูดโทรหรืออนาปาสติก็เอา ให้ถนัดที่ไหนก็เอาเถอะหรือว่าจะเอายุบน้องพ่อห น, อหนอ่อาหรือสามาสหังเอาเอาตรงนั้นน่ะให้ล่อให้ล่อให้จิตมาอยู่ตรงนั้นน่ะให้มันอยู่กับคำปฏิกรรมนะเมื่อจิตมาอยู่ตรงนั้นแล้วมันหายเองนะคำปฏิกรรมนั้นก็ดี มันยังเหลือแต่ความสงบไม่เหลือแต่ความสุขว่างเปล่าหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ปรากฏแต่ว่าตรงนั้นให้ระวังมันว่างเปล่าแล้วกลกวตายอัานี้เราสลากความตายไปถึงตรวนรั้นกลัวตายอีกแหละคือไม่เห็นตัวตายอย่าไปลืมตัวที่ว่าผูรู้หรือท่ารู้มันยังมีอยู่ ผู้กลัวตายยังมีอยู่น่นมันไม่มีทําไมเอ ง, งมันกลัวตายไม่มีทําไมมังกลัวตายนั่นแหะมันตัวนั้นมันมีอยู่นั่นให้จับพวกนั้นแ่ละไปเห็นผู้นั้นแล้วก็เลยลืมเลยเลยหายกลัวตายอีกนั่นแหะต้องมาให้ระวังเมื่อจับผู้รู้หรือท่ารู้นั้นได้แล้วให้ตั้งมั่นเอยวนั้นเสียก่อนมันจะได้นานเท่าใดก็เอาเถอะ เมื่อมันเป็นเองแล้วไม่รู้สึกหรอกสามสี่ชั่วโมงไม่รู้สึกมันเบามันปลอป่อยโผงมันไม่รู้สึกว่ามีกายอะไรนะ่ะตต่างไป ม, มีหากเอาันออกมาจากแล้วอีกล่าวนี้ ม, มันมาเป็นมันมาคิดมานึกมาปรุงมาแต่งตามเรื่องของมันเืินเป็นเรื่องธรรมดาของมัน มันคิดมันนึกปรุงแต่งนั้นเข้าใจให้เข้าใจเป็นจิตตัวนั้นเป็นจิตรักษาจิตนั้นเอาสติไปรักษาจิตควบคุมจิตให้มันอยู่กับขอบเขตของสติอย่ามันออกนอกขอบเขตสติคิดดีชั่วหยาบละเอียดอะไรตา่าง ให้รู้ตัวอยู่ตลอ ด, ดวเวลาเมืนะ่อ <todas. S 2> เราควบคุมจิตอย่างนี้ได้มันจะรวมเข้า <intox UR> ปเป็นใจคือใจผู้ที่คิดนึกน่ะใจใจ ใ, ใจคือผู้ที่อยู่เฉยๆนั่นแหละใจคือรู้สึกเพียงแต่เพียงรู้สึกแต่ไม่คิดไม่ปรุงมาแต่งนอนั้นตัวใจ คงปุงเขาแต่งกันเป็นจิตไม่ปุงไม่แต่งเฉยๆรู้ตัวอยู่แต่เฉยๆนั่นเนียกกัเป็นใจให้พิจานาไอ้ให้ให้พรอนะหนายเข้าถึงตรงนี้อยู่เสมอเสมอโดยใจไม่เกิดอุบายปัญญาใดเลยแต่ว่ามันพักพอดคนเราถ้าหากตามงา น, นอะไรต่างๆก็ตามเถอะประกอบจิตุ ร, ระแดงบอกว่ามันเน็ดเหนื่อยก็ต้องไปพักผอน จิตมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งไม่มีชิ้นสุดถ้าหาไม่เข้าถึงใจก็ไม่มีเวลาพักผ่อนเหมือนกันการไม่พักผ่อนมันมีกำลังทำงานก็ต้องตายเพราะไม่มีพักผ่อนจิตก็ต้องเช่นนั้นเหมือนกันมีพักผ่อนกบวุ่นวายเดือดร้อนก็ซับก็ใส่จนเป็นบ้าเห็นนั้น ย, ยังให้พักผ่อนจิต คือให้่วมใจให้เข้าถึงใจได้อันนี้การปฏิบัติศาสนาต้องเข้าถึงใจตลอดเวลาให้ฮัดอย่างนี้อยู่ตลอดเอาทำสมาธิ